บทที่สปฐมทัศน์หลังจากแยกทางกับโอม่าและเพื่อนของเขาแล้วเราก็กลับบ้านขณะนี้โรเยอร์ได้ลุกขึ้นจากเตียงแล้วและกำลังนั่งอยู่ริมหน้าต่างเราได้โบกมือให้เขาด้วยความยินดีซึ่งโรเยอร์ก็โบกตอบรับเช่นเดียวกันดูท่าทางโรเยอร์แข็งแรงขึ้นมากทีเดียวข้าพเจ้ากล่าวกับรูทริงทีเดียวค่ะ ดิฉันก็สังเกตเห็นเช่นนั้นเหมือนกันและผมก็เดาถูกว่าอะไรทําให้เขาสดชื่นขึ้นเร็วเช่นนี้โอมานั่นเองเธอเห็นเขาเอามือโรเยอร์ไปกลุมไว้ไหมนั่นแหละคือเขาถ่ายพะละงกำลังให้แก่โรเยอร์อย่างดีทีเดียวจริงดังนั้นโรเยอร์มีอาการกระปรี้กระเป่าขึ้นอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัดเขาออกมายืนต้อนรับเราอยู่ที่ประตูทางเข้า ดูท่าทางแข็งแรงสมเป็นเด็กหนุ่มอย่างแท้จริงไม่มีร่องรอยของความป่วยไขย้ของกายเนื้อเหลืออยู่เลยนายโรเยอร์รูดเอ่ยทักขึ้นก่อนเธอคงพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญชีวิตใหม่ได้แล้วละสินะแน่นอนทีเดียวครับโรเยอร์ตอบอย่างมั่นใจเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าสมองของผมปลอดโปร่งจำสใสดีเหลือเกิน ผมกำลังกระหายอยากรู้เรื่องราวต่างๆเต็มที่แล้วพร้อมกับที่พูดโรเยอร์กลุ่มมือของเราไว้คนละข้างอย่างกระตอรือรือร้นและบีบซะนั่นโอมาได้ทาให้เธอแข็งแรงมากทีเดียวเข้าไปเจ้ากล่าวขึ้นสังเกตได้จากการที่เธอบีบมือของเราอย่างหนักแน่นนี่เองโรเยอร์หัวเราะอย่างแจ่มใสซึ่งทำให้เราเบาใจขึ้นอีกมาก เพราะเป็นอันเชื่อได้ว่างานแนะนำฝึกสอนเด็กหนุ่มผู้นี้คงจะทำให้เราได้รับความสะดวกและเบิกบานใจกันทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกับรายอื่นๆซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องที่หนักใจแก่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันงั้นมาเถอะข้าพเจ้ากล่าวชวนทันทีเราจะเริ่มต้นกันบนหลังคาทีเดียวตายจริงบนหลังคาหรือครับโรเยอร์มีสีหน้าประหลาดใจ เราจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังคากันทำไมนี่ไม่ตายหรอกหนะ้าเรื่องมันต้องขึ้นไปซะก่อนจิงจะรู้ว่าทำไมเอาละขึ้นหลังคากันดีกว่าเราพาการขึ้นไปบนชั้นบนซึ่งจากนั้นมีบันไดเล็กๆทอดขึ้นไปสู่หลังคาบ้านซึ่งทำไว้เป็นรูปดาดฟ้าแบนๆจากดาดฟ้านี้เอง เราสามารถเห็นทัศนียภาพของภูมิประเทศอันงดงามและร่มรื่นยาวเหยียดออกไปจนสุดสายตาเอาละโรเยอร์ทีนี้ลองมองดูภูมิภาคเบื้องหน้าของเธอที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้ให้เต็มที่สิเธอเคยเห็นวิวที่ไหนเหมือนเช่นนี้หรือว่าคล้ายคลึงกับที่เห็นอยู่นี่ไหมเด็กหนุม่มนิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง ในขณะที่จ้องมองดูภาพภูมิประเทศที่เห็นอยู่เบื้องหน้าอย่างลืมตัวหลังจากนั้นเข้าหันกลับมาทางเราพร้อมกับร้องอุทานได้เพียงสองคำว่าโอ้โ oh หได้การรูดเอ่ยขึ้นโดยความรู้สึกขบขันในท่าทาของโรเยอร์คำว่าโอ้โ oh หสองคำนี้เป็นคำบรรยายความรู้สึกได้อย่างดีที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องพูดต่ออีกก็ได้ท่านครับ หรือคุณรูดก็ได้โรเยอร์กล่าวอย่างตื่นเต้นช่วยอธิบายให้ผมทราบหน่อยเถิดครับว่าสภาพของโลกนี้เป็นอย่างไรและบุคคลเหล่านั้นเขากําลังทําอะไรกันอยู่พลางเด็กหนุ่มชี้ไปที่บุคคลหลายกลุ่มเลกบ้างใหญ่บ้างที่กําลังเดินอยู่ก็มีนั่งอยู่ก็มีห่างออกไปในระยะไกลบุคคลเหล่านั้น ก็กำลังทําธุรกิจของตนเองตามถนัดและด้วยใจรักเขาอาจเดินไปธุระต่างๆกันหรือบางทีอาจไม่มีธุระอะไรเลยก็ได้นอกจากเดินเล่นหรือสนทนากันด้วยความรื่นเริงบางกลุ่มก็อาจกําลังทําหน้าที่อย่างเดียวกับที่เราก็ลองทําให้เธออยู่เดี๋ยวนี้คือแนะนําให้ผู้มาถึงโลกนี้ใหม่ๆ ได้เข้าใจถึงสภาวะของสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและชีวิตใหม่แต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตามจะไม่มีใครมาควบคุมสั่งงานหรือเขี่ยวเข็นให้ฝืนใจทำอย่างโน้นอย่างนี้เลยแต่เท่าที่พูดมานี้หวังว่าเธอคงจะไม่เข้าใจว่าพวกเราเป็นพวกขี้เกียจชอบสนุกสนานโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันฉันขอยืนยันว่า นิสัยเช่นนี้ไม่มีอยู่ในโลกนี้เลยฉันกับรุธได้เที่ยวซอกแซกดูทั่วหมดตามสถานที่ทุกๆแห่งเท่าที่จะไปได้มาแล้วจึงกล้ารับประ ก, กันได้ว่าไม่มีความขี้เกียจอยู่ในโลกนี้เลยเราทุกคนต่างพากันหางานอย่างใดอย่างหนึ่งทํากันแต่ก็อีกนั่นแหละที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่า เราต้องทำงานอย่างหามรู่หามค่ำอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเท่นเดียวกับที่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรนอกจากพักผ่อนนอนหลับกันไปตลอดการทัศนะสองอย่างดังกล่าวมานี้ที่เป็นฝ่ายสุดโตงผิดทั้งคู่ความจริงก็คือเราทำงานบ้างและหยุดบ้างตามความสมัครใจรับรองว่าจะไม่มีใครมาออกคำสั่ง หรือคอยเขี่ยวเข็นให้เราต้องฝืนใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นอันขาดเราต้องการจะเลิกงานไปหาเครื่องหย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์เมื่อใดก็ได้เราอยากจะไปไหนมาไหนเมื่อไหรก็ได้ในภูมิของตนเองในโลกนี้มีผู้คนมากมายดังที่เธอเห็นอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแม้จะมีงานมากก็มีคนทำอย่างพอเพียงเสมอ เอพูดถึงเรื่องทำงานผมชักวิตกเสียล่ะครับท่านโรเยอร์กล่าวคืออย่างผมนี่ควรจะหางานอะไรทำดีถ้างานก็เลิกวิตกได้แล้ว ล, ละโรเยอร์รู้ตอบเธอเพิ่งมาถึงไม่นานมานี้เองคอยต่อไปอีกสักหน่อยแล้วเธอก็จะเห็นเองว่าไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องรีบร้อนหางานให้ได้ในเร็ววัน คุณมาอยู่ที่นี่ได้นานเท่าใดแล้วครับฉันมาอยู่ที่นี่ได้เกือบ4ี่สิบปีแล้วรู้ตอบแล้วท่านเราครับก็ใกล้เคียงกับรู้นั่นแหละเธอหากจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็คงไม่เกิน1ิบนาทีกระมังเป็นไงเธอคงคิดว่าเราอยู่ที่นี่นานโขแล้วสินะแล้วคุณโอมาเล่าครับท่านมาอยู่ที่นี่ได้นานเท่าใดแล้ว รูกับข้าพเจ้ามองดูตากันแล้วหัวเราะโอมาอยู่ที่นี่มาได้ประมาณสองพันปีแล้วไงโรเยอร์ที่ว่าเราทั้งสองมาอยู่ที่นี่ได้นานโขนั้นเห็นจะไม่จริงเสีแล้วโรเยอร์หัวเราะตามไปด้วยความรื่นเริงรูทช่วยแนะนำให้โรเยอร์รู้จักอะไรให้มากขึ้นอีกสักหน่อยสิครับข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นโรเยอร์ เธอเห็นตึกหลังใหญ่ที่มีลำแสงสีน้ำเงินพุ่งหมอห้อมล้อมอยู่โดยรอบนั่นไหมนั่นแหละคือสถานที่พักฟื้นสำหรับบุคคลที่แรกมาสู่โลกนี้อันที่จริงเธอก็คงจะต้องไปพักอยู่ที่นั่นก่อนเหมือนกันตึกหลังนั้นสวยงามมากทีเดียวและผู้ที่ถูกนำมาพักฟื้นในที่นั้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีที่สุดทีเดียว แล้วทำไมผมจึงถูกนําตัวมาที่นี่หรอครับเธอนึกเสียดายหรือเปล่าที่ไม่ได้ไปอยู่ตึกโน้นก่อนเปล่าครับเปล่าเลยทีเดียวผมเพียงแต่นึกสงสัยบ้างเท่านั้นเรื่องเป็นดังนี้เข้าไปเจ้าตอบเจ้าหน้าที่ที่ส่งเราไปรับเธอมาได้ให้ข้อเสนอแนะแกเราว่าเราควรจะให้เธอมาอยู่กับเราเป็นพิเศษ ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่รู้เหตุการ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีว่าอะไรมีความสมควรหรือไม่และเพียงไรเราจึงไม่คิดเห็นเป็นการจำเป็นที่จะต้องถามถึงเหตุผลอย่างใดอันที่จริงเธอควรจะทราบซีอย่างหนึ่งด้วยว่าเหตุการ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเคยมีบุคคลหลายคนมาแล้วที่ได้ตื่นขึ้นลืมตาดูโลกใหม่ และชีวิตใหม่เป็นครั้งแรกบนเตียงที่เธอเคยนอนนานกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้มาใหม่และฝ่ายผู้ที่รับพามาไว้โดยเสมอกันโรเยอร์ชี้ไปยังบ้านที่มีลักษณะและสวดทรงต่างๆกันในระยะไกลบ้านก็อยู่ในที่ล่งแจ้งบ้านก็แฝงอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้อันขิวชอุม่ม เราเห็นได้เพียงบางส่วน่างบ้านเหล่านั้นเป็นของใครกันครับบ้านเหล่านั้นก็เป็นของบุคคลที่นี่เองเธอเองจะมีก็ได้หากต่อไปเธอมีสิทธิ์ที่จะมีได้แต่อันที่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเราที่นี่จะต้องมีบ้านกันทุกคนเพราะว่าบางคนก็ไม่ต้องการมีบ้านเลยโดยไม่มีความรู้สึกลำบากหรือเดือดร้อนแต่อย่างใด ในโลกทิพย์นี้ดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่ตลอดเวลาไม่มีลมหรือความหนาวเย็นอันทารุณดังเช่นในโลกมนุษย์เพราะว่าอากาศที่นี่จะมีความอบอุ่นอยู่ตลอดการโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการมีบ้านอยู่หรือไม่มีนั้นก็ดูจะมีค่าเท่ากันในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่เป็นการส่วนตัวก็ย่อมจะทาได้ แม้โดยไม่มีบ้านเลยเพราะว่ามีสถานที่อันร่มรื่นตามธรรมชาติอยู่นับไม่ถ้วนซึ่งสามารถจะใช้เป็นที่อันสงบสงัดเป็นส่วนตัวตามลาพังได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีผู้ใดไปรบกวนเลยแล้วตึกที่อยู่ในระยะไกลออกไปนอนล้วครับเป็นตึกอะไรโรเยอร์ถามตึกเหล่านั้นเป็นอาคารเรียนวิชาต่างๆกันตั้งอยู่ในตัวเมือง ผู้ที่ต้องการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆกันจะศึกษาได้จากที่นั่นแม้เธอเองถ้าต้องการเรียนวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมทำได้ตามใจรักเราได้ช่วยกันชี้แจงให้โรเยอร์ทราบถึงความจริงอีกหลายประการรู้สึกว่าโรเยอร์มีความสนใจและเชื่อฟังเป็นอันดี เพราะว่ายังเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ได้มีความเชื่อถือดื้อรั้นในทางที่ผิดมาแต่เดิมในที่สุดข้าพเจ้าก็ให้ความเห็นว่าเราควรจะมาพักผ่อนที่ชั้นล่างได้แล้วขากลับลงมาโรเยอร์ได้เข้าชมห้องต่างๆอย่างสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อมาถึงห้องที่เขาพักอยู่เมื่อสักครู่โรเยอร์ก็เอ่ยถามขึ้นว่าแล้วท่านจะให้ผมอยู่ที่ไหนแล้วครับ เธอจะอยู่ที่ไหนก็ได้ข้าพเจ้าตอบเรืออันที่จริงจะไม่อยู่ที่ไหนเลยก็ได้อีกเหมือนกันเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นของแปลกเลยแต่เธอคิดว่าเป็นการจำเป็นด้วยหรือในเมื่อถึงแม้เธอจะอยู่ที่นี่เธอก็จะมีความสุขและมีอิสระทุกประการถ้าเธออยากจะหาเพื่อนบ้านเธอก็ออกไปข้างนอกแล้วเธอก็จะได้พบเพื่อนฝูงตามต้องการ สำหรับฉันเองอยากจะขอแนะนำว่าเธอจะอยู่ที่นี่ก็ได้โดยเธอไม่ต้องเกรงใจที่นี่มีห้องเหลืออยู่อีกหลายห้องมีสิ่งที่จะทำให้เธอเพลิดเพลินได้หลายอย่างโดยไม่จำเป็นต้องไปข้างนอกก็ได้และเธอก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปได้นานเท่าที่เธอปรารถนาข้อสำคัญก็คือเธอไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องเวลา ที่นี่เวลาไม่มีความหมายอย่างใดต่อไปถ้าเราหรือเธอได้ทำจิตให้ประณี่ยนขึ้นไปแล้วเราก็อาจจะเลื่อนภูมิหรือย้ายบ้านไปก็ได้แต่นั่นในระยะไกลออกไปตอนนี้เธออย่าเพิ่งคิดถึงเลยดีกว่าในขณะนี้ขอให้คิดว่าเรายินดีรับรองให้เธออยู่กับเราได้ตลอดไปโดยไม่จำกัดเวลา เด็กหนุ่มขยับปากจะเอ่ยคำขอบใจออกมาแต่เราห้ามเขาไว้ซะก่อนในโลกทิปนี้บุคคลไม่จำเป็นต้องพูดแสดงความรู้สึกออกมาก็ได้เพียงแต่คิดไว้ในใจก็จะเป็นที่รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเพียงพอแล้วเอาละเป็นอันตกลงว่าเธอจะอยู่กับเราที่นี่ต่อไปรูดกล่าวที่นี้โรเยอร์ขอให้เธอบอกกับเราซิว่า เธอมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่นี่เด็กหนุ่มมีท่าทางแสดงความงวนดสนเทเป็นอย่างมากผมไม่รู้ว่าควรจะมีความเห็นอย่างใดดอกครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอันที่จริงผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนามากนักแต่ก็สงสัยอยู่ว่า สภาพของโลกทิพย์นี้จะลงเอยกันได้กับข้อความในคาพีทางศาสนาอย่างไรเธอไม่ใช่คนแรกที่สงสัยเช่นนี้หรอกโรเยอร์ช er. ันเองและรูธก็เคยสงสัยเช่นนี้เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นี่ใหม่ๆและคนอีกนับจานวนล้านๆก็ได้เคยสงสัยเช่นนี้มาก่อนเรื่องเช่นนี้เป็นเพราะคนส่วนมากมีความเข้าใจผิดมาแต่เดิมว่า คนที่จากโลกมนุษย์ไปแล้วก็คือคนตายและผู้ที่จะคิดถึงโลกของคนที่ตายก็ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องกับในทางาศาสนาเท่านั้นมีน้อยคนเหลือเกินที่จะคิดถึงเรื่องโลกทิพด้วยทัศนาที่ถูกต้องแต่ถ้าเขามีทัศนาที่ถูกต้องบ้างแม้ไม่มากนักเขาก็จะมีความสุขอย่างยิ่งข้อเสียก็คือาศาสนาในโลกมนุษย์ มักจะผูกขานเรื่องราวของโลกทิพย์ไปเป็นหน้าที่ของตนไปเสียหมดทั้งทั้ที่ตนเองก็หารู้เรื่องราวของโลกทิพย์ดีนักไม่อันที่จริงเธอควรทราบไว้ด้วยว่าการเปลี่ยนที่อยู่จากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตจริงๆโดยไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับาศาสนาเลยเธอลองมองดูรอบๆตัวสิโรเยอร์ Roger. เห็นไหมว่า มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาแทรกแซงอยู่หรือเปล่าแต่แล้วใครเล่าที่จะสามารถกล่าวได้ว่าเรากำลังดาเนินชีวิตผิดจากหลักการทางศาสนาที่นี่ในบรรดาผู้นับถือศาสนาคริสต์ทั้งหลายก็มีความเห็นแตกต่างกันไปตั้งหลายพันอยา่างทั้งนี้ไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือศาสนาอื่นผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวว่า ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีความจริงอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นแต่ก็ไม่มีศาสนาใดที่ผูกขาดเป็นเจ้าของสัจธรรมหมดทุกแง่ทุกมุมแต่เมื่อ น, นำมารวมกันเข้าก็จะเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่จริงไหมครับท่านโรเยอร์ถามขึ้นก็น่าจะเป็นเช่นนั้นฉันก็เคยได้ยินเขาพูดกันเช่นนี้เหมือนกันแต่เธอลองคิดดูทีหรือว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร ขั้นแรกทีเดียวเธอจะต้องเที่ยวค้นว่าในศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นความจริงและอะไรที่ไม่จริงเพียงแค่นี้ก็ยากเชแล้วเพราะว่าคนเรานั้นลงให้รู้ว่ามีความไม่จริงมาปนอยู่ในความจริงทางศาสนาและจะอดใจไว้ไม่คิดค้นหาได้ทีเดียวหรือขั้นที่สองก็คือ การรวมศาสนาต่างๆในโลกเข้าด้วยกันเพื่อจะได้รู้และเห็นความจริงหมดทุกแง่ทุกมุมฉันเกรงว่าหากคนไหนคิดทำก็น่ากลัวว่าจะต้องเป็นบ้าไปเสก่อนมากกว่าโรเยอร์หัวเราะดังเมื่อข้าพเจ้ากล่าวประโยคสุดท้ายจบลงหัวเราะไปเถอะโรเยอร์เพราะว่าการทําเช่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะจริงๆซะด้วย ฉันเคยนั่งอยู่ในที่นี้ในห้องนี้ในโลกทริปนี้และบางคราวก็รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตห่างไกลาศาสนาเสียละเกินบางครั้งเท่านั้นหรือคะรูดเอ่อยถามขึ้นอย่างล้อๆน่ากลัวว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะหนุ่มใหญ่เสียแล้วฉันรู้ด้วยว่าเธอคิดถึงอะไรข้าพเจ้ากล่าวขึ้นคงจะนึกว่า ศาสนาจะต้องเกี่ยวกับการเทศในโบสถ์วันอาทิตย์มีการร้องเพลงคลอดนตรีละซิความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวศาสนาที่แท้จริงเลยและก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตในสภาพที่เธอเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เลยเธอจะหวังให้พระนักเทศโดยทั่วไปเทศสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจเรื่องเช่นนี้โดยท่องแท้ได้อย่างไร ในเมื่อท่านเหล่านั้นเองก็หาได้เข้าใจเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่นี่ละเรื่องทั้งหมดมันยากอยู่ตรงนี้เองคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงแม้ฉันเองเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่ควรที่จะบอกให้บุคคลเช่นเธอคือรูดและโรเยอร์เป็นต้นทราบเรื่องนี้ให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีก็ทาไม่ได้เธอคิดดูเถิดว่า มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดเพียงใดเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้กันให้ลึกซึ้งไปจริงๆว่าทั้งที่เรากำลังอยู่ในโลกทิพกันอย่างผาสุกและอย่างแท้จริงแต่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากก็ไม่ยอมเชื่อเช่นนั้นเขาต่างพากันคิดถึงเราในแง่อื่นต่างๆนานาซึ่งล้วนแต่เป็นความคิดที่ผิดและเหลวไหลทั้งนั้นเธ อ, อลองคิดดูก็แล้วกันว่า ความคิดวิถีฐานของชาวโลกมนุษย์เหล่านั้นกับความจริงของชีวิตที่เราเป็นอยู่ในบนัดนี้จะลงรอยกันได้อย่างไรสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอีกประการหนึ่งก็คือทางการศาสนาในโลกมนุษย์ดีแต่ทึกทักเอาง่ายๆว่าตนมีอำนาจเหนือชีวิตของชาวโลกทิพย์ทุกประการพวกพระเหล่านั้นไม่ยอมให้เราเป็นมนุษย์ มีเลือดเนื้อเหมือนอย่างที่เราได้เป็นอยู่ขณะนี้เสียเลยเ้อคอยแต่จะเกณฑ์ให้เราเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างเพียงเงาเงา ท, งทั้งที่เราทุกคนก็สามารถหายใจได้ทำงานได้เดินเหินทางานและช่วยเหลือกันและกันได้ไม่ผิดอะไรกับชาวโลกมนุษย์เหมือนกันเขาคิดว่าขึ้นชื่อวา่าสัตว์เช่นนกเป็นต้นแล้วจะมีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เลยทีเดียว แต่เธอก็เห็นด้วยตาตนเองแล้วว่านกน้อยเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเราที่นี่อย่างแท้จริงคิดดูเถิดว่าในโลกมนุษย์ผู้รักสัตว์สามารถเล่นหัวสนุกสนานกับสัตว์ได้แต่เขากลับจะไม่ให้เราทําเช่นนั้นบ้างเขากล่าวว่าไม่ได้ดอกเรื่องศาสนาไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับสัตว์เช่นนี้ ยิ่งในภูมิทิพย์เช่นนี้แล้วยิ่งไม่ควรจะมีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่ฉันได้เล่ามานี้พอจะสรุปลงได้ว่าศาสนาในทางโลกไม่ได้มีความรู้อะไรในเรื่องราวของโลกทิพย์เลยแต่พวกเขาเหล่านั้นก็พยายามจะแสดงตัวว่าเป็นผู้รู้แล้วก็ตั้งกฎขึ้นมาเองว่าพวกเราชาวโลกทิพย์จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ต้องไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามแต่ที่เขาจะนึกฝันเอาเองเขานึกฝันเอาว่าชาวโลกทิพย์จะต้องไม่ทำอะไรเลยตลอดอนันตการคิดดูเถิดโรเยอร์หากเรื่องเป็นเช่นนี้จริงมันจะเป็นภาระที่น่าเบื่อสักเพียงไรเอาละโรเยอร์เรามาออกไปชมภูมิประเทศกันดีกว่าให้นกตัวนี้ไปกับเธอด้วยให้มันนำทางให้เธอ มันสามารถทำได้ดีกว่าเราซสอีกไปกันเถอะบทที่4หมอโอปปาติกะเราพาโรเยอร์เดินชมทิวทัศน์ของภูมิประเทศไปเรื่อยเืซึ่งทำให้เด็กหนุ่มผู้มาใหม่ของเราได้รับความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งความตื่นเต้นดังกล่าวมีมูลมาจากสาเหตุสองประการด้วยกัน คือความสวยงามของภูมิประเทศซึ่งหาที่เสมอเหมือนไม่ได้เลยในโลกมนุษย์และประการที่สองก็คือความยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความเป็นกันเองของชาวโลกทิพย์ทุกๆคนที่พบปะในระหว่างทางอันที่จริงหลายต่อหลายท่านที่ทักทายเราอย่างสนิทสนมดังกล่าวแล้วนั้นเราเองก็ไม่ได้เคยรู้จักท่านมาก่อนเหมือนกันโรเยอร์นั้น ในขั้นแรกก็ไม่ทราบความจริงข้อนี้เลยทึกทักเอาว่าข้าพเจ้ากับรูทคงจะเป็นผู้กว้างขวางคือมีเพื่อนฝูงคนรู้จักมากหน้าหลายตาเหลือเกินเราได้อธิบายให้ฟังว่าความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่และนอกจากนั้นแม้เด็กหนุ่มจะไปไหนมาไหนตามลำพังคือโดยไม่ได้มีเราควบคุมไปเลยก็ตามเขาจะไม่ขาดผู้ที่หวังดี และแสดงความเป็นการเองด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์เช่นนั้นเลยในโลกทิพย์เช่นนี้จะมีแต่ผู้ที่หวังดีคอยเป็นห่วงและยินดีให้ความช่วยเหลือด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เสมอที่นี่เราไม่จำเป็นต้องมีการแนะนําตัวให้รู้จักการเซก่อนดอกโรเยอร์รูดกล่าวกับเด็กหนุ่มเพราะฉะนั้น เราสามารถรู้จักกันได้โดยไม่ต้องคอยพิธีรีตองเช่นในโลกมนุษย์เลยระหว่างทางเราได้ผ่านสิ่งที่ทำให้เด็กหนุ่มได้รับความตื่นเต้นและเป็นสุขใจนานาประการทานองเดียวกันกับที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเองมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้แล้วในภาคหนึ่งนั่นเองในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรา อาคารหลังนี้แลดูคล้ายๆเก่าจะเป็นบ้านที่อยู่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอันสวยงามตระการตาเป็นอย่างยิ่งโดยรอบบริเวณมีแปลงไม้ดอกที่น่ารักเป็นจำนวนมากประดับเป็นแนวรอบสระน้ำอันใสสะอาดพร้อมกับไม้ยืนต้นานานาพันตัวอาคารรูปทรงเป็นตึกสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหน้าต่างกว้างขวางโดยรอบและมีประตูอยู่ตรงกลางดูจากภายนอกไม่ปรากฏว่ามีลวดลายอย่างใดเท่าที่สังเกตเห็นรู้สึกคล้ายๆกับว่าจะเป็นทั้งบ้านอาศัยอยู่และที่ทำงานรวมกันฉะนั้นสำหรับวัตถุที่ใช้ก่อสร้างอาคารนี้นั้นเห็นจะไม่จำเป็นต้องกล่าวก็ได้ว่าเป็นวัตถุที่มีอยู่เฉพาะในแดนทิพนี้เท่านั้น ความงดงามในด้านสีสันวันนะก็เป็นสิ่งที่จะหาที่เปรียบในโลกมนุษย์ไม่ได้เช่นเดียวกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โรเยอร์ได้มีโอกาสแลเห็นอาคารหลังใหญ่ๆได้อย่างใกล้ชิดและถนัดตาและเหมือนกับผู้มาใหม่ทั่วๆไปเขาอดเอามือลองคลำดูไปมาหลายต่อหลายแห่งไม่ได้ดูทีก็คงจะไม่เคยเชื่อสายตาของตนเอง และต้องการจะพิสูจน์โดยทางสัมผัสว่าภาพที่เห็นเป็นสิ่งลวงตาหรือเปล่าเป็นไงโรเยอร์รูดกล่าวถามเป็นเชิงล้อๆอเป็นตึกแข็งจริงจริงไม่ใช่ภาพมายาแน่นะครับไม่ใช่ภาพมายาแน่แล้วเด็กหนุ่มตอบแต่เออผมรู้สึกว่าหินที่นี่อุ่นๆนะครับคือคือว่าไม่ค่อยเย็นเหมือนดังในโลกมนุษย์นะครับ ข้าพเจ้ากับรู้หันมายิ้มให้แก่กันและกันอย่างรู้ใจอากับกริยาที่ตื่นเต้นของเด็กหนุ่มผู้มาใหม่รู้สึกว่าจะพลอยปลุกความตื่นเต้นของเราขึ้นด้วยเสมอทั้งแท้ที่ความจริงเราทั้งสองก็เคยได้ผ่านพบเรื่องเช่นเดียวกันนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขณะนี้ท่านผู้เป็นเจ้าของอาคารหลังนี้ได้ทราบแล้วว่าเราจะมาหาท่าน จึงได้ออกมาต้อนรับเราอยู่ที่ประตูหน้าท่านผู้นี้เป็นชาวอเมริกันอินเดียนรูปร่างสูงสง่าและหน้าตาคมสันเราได้แจ้งแก่ท่านโดยแนะนำให้โรเยอร์ให้รู้จักและกล่าวว่าโรเยอร์เป็นผู้ที่เพิ่งมาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆเราจึงกำลังทำหน้าที่เป็นมักคุเท์ช่วยนำชมภูมิประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางขึ้น อ๋อเข้าใจละท่านเจ้าของบ้านกล่าวตอบอย่างอารมณ์ดีและเอ่ยต่อไปด้วยอารมณ์สนุกเป็นอันว่าผมนี่เป็นตัวภูมิประเทศอย่างหนึ่งของโลกทิพย์เหมือนกันรุธกับข้าพเจ้ารีปฏิเสธด้วยความเกรงใจเพราะรู้สึกว่าเราได้พูดและทำค่อนข้างจะพลาดไปอาจจะเป็นการไม่สุภาพอยู่บ้างแต่ยิ่งปฏิเสธ ท่านเจ้าของบ้านยิ่งหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเสยยกใหญ่ในที่สุดรูทก็บอกว่าเราควรเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะเรายิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวมากขึ้นทุกทีข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบในตอนนี้เสก่อนว่าท่านชาวอเมริกันอินเดียนผู้นี้ได้เรียนรู้ภาษาของเราซึ่งคงจะเป็นภาษาอังกฤษมากพอสมควรที่จะใช้พูดสนทนาโต้ตอบกันได้ ถ้าหากว่าเราต้องการจะพูดแม้ว่าในการพูดอาจจะมีเสียงเพี้ยนหรือแปลงอยู่บ้างหรือบางคราวก็อาจมีการใช้คำที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามสำนวนภาษาของเจ้าของอยู่บ้างก็ตามอันที่จริงเสียงที่เพี้ยนหรือคำพูดบางตอนที่ไม่ค่อยจะสละสลวยนักก็ได้เป็นเครื่องทําให้การสนทนาของเราคลึกเคลื่อนอยู่เสมอ เพราะทำให้ทั้งผู้ฟังและผู้พูดหเราะ ก, กันได้อย่างสบายใจอย่างไรก็ตามส่วนมากของการสนทนาก็เป็นไปโดยทางรับส่งกระแสะความคิดกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทที่ได้รู้จักกันมาแล้วเป็นเวลานานท่านผู้นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับผู้ที่เป็นชาวอเมริกันอินเดียนส่วนมากคือยังรักที่จะใช้ชื่อเดิม อันมีความหมายไพเราะลึกซึ้งอยู่เป็นแต่ว่าได้ดัดแปลงให้เข้ากับสภาวะของโลกทิพย์ได้บ้างเล็กน้อยดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในโลกทิพย์นี้ว่าท่านชื่อ r รเดีย t w วิ g หรือวิโรธปัดคือชื่อวิโรธซึ่งมีความหมายว่าส่งแสงนั้นได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ของภูมิอันมีแสงสว่างอยู่ตลอดการเช่นนี้และชื่อดังกล่าวนั้นก็มีความจริงตามความหมายอยู่ด้วยเพราะเมื่อเรามองไปที่หมวกหรือขนนกอันสง่างามที่ประดับอยู่บนศรีรษะของท่านก็จะแลเห็นประกายแสงสว่างพุ่งออกไปโดยรอบในตอนนี้ท่านผู้อ่านบางคนอาจจะนึกสงสัยขึ้นมาอีกว่าเหตุใดเครื่องประดับศรีรษะขนนก จึงจะสวมใส่กันอีกในโลกทิพย์พดูออกจะเป็นของโลกโลกเหลือเกินเหตุผลในข้อนี้ง่ายนิดเดียวคือความสวยงามทุกประการเรายังคงรักษาไว้เสมอแม้ว่าความสวยงามนั้นๆจะเคยเป็นสมบัติของโลกมนุษย์มาแต่ก่อนก็ตามเราเราถือเหตุผลของเราด้วยใจที่บริสุทธิ์คือถือเอาความงามเป็นหลักเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าความงามนั้นจะเป็นของใครและโดยไม่ต้องเกรงว่าชาวโลกมนุษย์จะตีราคาเราน้อยลงไปเลยดังนั้นในการบรรยายที่เราแล้วมาก็ดีหรือที่จะกระทำต่อต่อไปก็ดีข้าพเจ้าก็จะเล่าถึงความจริงที่มีอยู่และที่ได้ประสบพบเห็นมาโดยไม่ได้คำนึงถึงความชอบหรือไม่ชอบและความน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อ ตามมาตรฐานของชาวโลกมนุษย์เป็นหลักเลยอันหนึ่งแม้ในโลกทิพย์นี้ก็ไม่มีการกักเกณฑ์หรือบังคับให้ชาวโลกทิพย์ผู้ใดฝืนใจเชื่อในสิ่งที่เขายังไม่ต้องการจะเชื่อเป็นอันขาดและเขามีสิทธิ์ที่จะแสวงหาเหตุผลหรือคำอธิบายจากผู้อื่นได้เองโดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีใครโกรธเคืองและในที่สุด เมื่อเขาได้เห็นความจริงประจากแก่ใจตนเองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับความเห็นอีกครั้งหนึ่งได้เสมอและเรื่องเช่นนี้ก็มีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยไม่น่าจะมีผู้ใดคิดว่าจะเป็นการน่าละอายแต่อย่างใดเครื่องประดับศีรษะของท่านชาวเมริการอินเดียนผู้นี้เป็นพวงผู้รยาสวยงามมากมีแสงสุกสว่างเป็นสีรุ้งเลื่อมพลายอยู่โดยรอบ อันที่จริงวัตถุที่กษัตเจ้าเรียกว่าขนนกความจริงไม่ได้นำมาจากนกเลยแต่ถ้าหากจะใช้ขนนกทำก็น่าจะทำได้จากนกเป็นๆ เ, เลยทีเดียวเพราะในที่นี้ย่อมไม่มีนกตายแต่ความคิดเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะจะเป็นความชารุนสัตว์อย่างน่าละอายที่สุดดังนั้น คนนกที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ก็คือวัตถุที่เป็นของโลกทิพย์โดยเฉพาะซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้มีฝีมือเยี่ยมในทางประดิษฐ์สิ่งเช่นนี้อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าใคร่กล่าวส่งเสริมไว้อีกเล็กน้อยด้วยว่าเครื่องประดับศีรษะดังกล่าวนี้ท่านเจ้าของไม่ได้ใช้สวมอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำ คงใช้ประดับเฉพาะในเวลาที่มีงานพิธีเป็นทางการในบางโอกาสเท่านั้นเราได้อธิบายให้โรเยอร์ฟังว่างานส่วนใหญ่ของท่านเรเดียน w วิ g หรือวิโรดปัดนั้นคือการช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของโลกมนุษย์ซึ่งท่านกระทำอยู่โดยผ่านบุคคลบางคนท่านเป็นผู้ที่ทำการค้นคว้าและทดลองในเรื่องเช่นนี้อยู่เสมอ โดยสอดแสวงหาวิธีและตัวยาใหม่ๆอยู่ไม่ขาดเพื่อให้การรักษาของท่านได้ผลดียิ่งขึ้นทุกทีท่านเจ้าของบ้านได้เชิญให้เราเข้าไปข้างในและโดยที่ได้เคยทราบมาก่อนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สแสวงหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของภูมินี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านจึงกล่าวว่า บางทีเราอาจจะอยากทราบวิธีการดําเนินงานช่วยชาวโลกมนุษย์ของท่านบ้างก็เป็นได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นท่านก็ยินดีจะพาเราไปดูห้องปฏิบัติการส่วนตัวของท่านด้วยความเต็มใจในห้องปฏิบัติการส่วนตัวของท่านผู้นี้เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากพอๆกันรู้สึกว่าเป็นห้องที่ท่านได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในนั้นจริงๆ สิ่งที่ทำให้เราได้รับความประหลาดใจอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากท่านจะได้ทำการค้นคว้าในทางนี้ด้วยตนเองแล้วปรากฏว่าท่านยังได้มีรู้สิธิ์มารับการฝึกหัดงานด้านนี้อยู่อีกด้วยหลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มียอายุรุ่นราวคลาวเดียวกันกับโรเยอร์นั่นเองห้องดังกล่าวนี้เป็นห้องกว้างขวางใหญ่โต ด้านหนึ่งมีขวดยาหลอดยาและโถใส่เครื่องยาวางเรียงรายอยู่เป็นแถวยาวในหลอดขวดและโถเหล่านั้นมีวัตถุซึ่งมีสีสันวันนะต่างๆกันมันจุอยู่มากมายหลายสีตามฝาผนังมีแผ่นภาพแสดงถึงกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ให้เห็นชัดเจนนอกจากนั้นยังมีรูปหุ่นจำลอง แสดงให้เห็นเป็นรูปภาพนูนของอวัยวะและร่างกายให้เห็นชัดขึ้นอีกด้วยเือคงจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องรู้ถึงที่ตั้งตำแหน่งของอวัยวะต่างๆของร่างกายตลอดจนถึงหน้าที่ของแต่ละส่วนนั้นๆด้วยท่านเจ้าของบ้านอธิบายให้ทราบต่อจากนั้นเราจะต้องรู้ถึงโรคต่างๆซึ่งมักจะเกิดขึ้นแก่อวัยวะส่วนนั้นโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เราจะต้องรู้โดยละเอียดเสียก่อนจึงจะช่วยรักษาโรคของมนุษย์ได้เธอคงจะเห็นแล้วว่าในเรื่องนี้เราก็ต้องดําเนินการไปเช่นเดียวกับแพทย์ในโลกมนุษย์เหมือนกันข้อแตกต่างก็คือว่าเรามีวิธีการรักษาเป็นของเราเองโดยเฉพาะเพราะเราใช้วัตถุและพลังซึ่งเป็นของโลกทิพย์อันจะหาไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ วิธีการของเรานั้นง่ายกว่าของแพทย์ในโลกมนุษย์มากทางด้านโนนเธอจะเห็นขวดยาน้อยใหญ่มีวัตถุเป็นขี้พึ่งสีต่างๆบรรจุอยู่วัตถุเหล่านี้เป็นยาสำหรับรักษาโรคต่างๆส่วนสีของแต่ละอย่างนั้นความจริงไม่มีความสำคัญในตัวเองแต่อย่างใดเราทำเป็นสีไว้ก็เพื่อให้สังเกตแยกประเภทได้ง่าย เพียงแต่โดยการดูเท่านั้นเองเวลาเรานำวัตถุเหล่านี้มาผสมกันสีเหล่านั้นก็จะผสมเท่ากันทำให้เราสังเกตได้ง่ายว่ามีอย่างใดผสมอยู่มากน้อยเพียงใดทำนองเดียวกันกับการผสมสีของศิลปินผู้เขียนภาพชนนั้นสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องสีสันวัร น, นะต่างๆเป็นพิเศษแล้วการผสมวัตถุเหล่านี้ จะทําให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจมากทีเดียวเพราะจะมีสีปรากฏเป็นเรื่องรุ้งและเหลือบสลับกันไปมาอย่างน่าดูจากการผสมตัวยาต่างๆตามอัตราส่วนต่างๆเช่นนี้บางครั้งก็ทําให้เราได้ตัวยาสูตรใหม่ซึ่งสามารถนําไปใช้รักษาโรคของมนุษย์ได้ผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอันที่จริงครัต่างๆบนชั้นเหล่านั้น ก็เป็นเพียงตัวยาเปล่าๆ เ, เ, เป็นส่วนมากเพราะเมื่อเวลาเราต้องการจะใช้ยาขนาดหนึ่งขนาดใดเป็นพิเศษเราก็มักจะต้องผสมส่วนกันใหม่สาหรับคนไข้แต่ละลายละลายไปโดยเฉพาะและเราก็ทราบได้ว่าจะต้องผสมวัตถุใดในอัตราส่วนเท่าใดโดยการมองดูสีเข้มและจางเพียงไรนี้เองอย่างไรก็ตามเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็เป็นเพียงการรักษาอย่างหนึ่งในบรรดาการรักษาหลายๆแบบเท่านั้นเพราะมีอีกวิธีหนึ่งคือการรักษาโดยใช้รัศมีของแสงแสงเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถจะนํามาเก็บไว้ในขวดดังเช่นวัตถุได้แต่เราสามารถจะทําให้เธอดูได้ท่านได้หันมาทางโรเยอร์พร้อมกับถามขึ้นว่าไงาเธอได้เห็นจากบ้านของท่านมองซินเยอร์แล้วมิใช่หรือ ว่ามีตึกหลังใหญ่หลังหนึ่งมีลำแสงสีน้ำเงินพุ่งลงมาคลุมไว้จากเวื้องบนลำแสงเช่นนั้นมีคุณภาพสามารถรักษาโรคทำให้เกิดความชุ่มชื่นได้ทั้งแก่ชาวโลกมนุษย์และพวกเราที่นี่เหมือนกันผมจะแสดงให้คุณดูกระเถิบเข้ามาใกล้อีกหน่อยสิครับเราได้ล้อมวงกันเข้าไปใกล้ตัวท่านชาวอินเดียนและต่อมาสักครู่ ก็พลันมีลำแสงสีน้ำเงินเป็นประกายสุกสว่างพุ่งลงมาห้อมล้อมพวกเราไว้โดยรอบต่อจากนั้นท่านเรเดียนชวิงก็ทำให้ลำแสงนั้นย่อเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับดินสอแล้วปล่อยให้ลำแสงนั้นพุ่งลงบนฝ่ามือของเราแต่ละคนโดยลําดับซึ่งทำให้เรารู้สึกเยือกเย็นอย่างประหลาดเธอคงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่า เราสามารถจะทำให้ลำแสงนี้ไปส่องที่บริเวณใดๆก็ได้และให้มีขนาดเล็กใหญ่เท่าใดก็ได้ตามปรารถนาทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่าขนาดของโรคที่จะรักษานั้นจะมีมากน้อยเพียงใดเราทุกคนเฝ้าดูท่านใช้อำนาจจิตบังคับลำแสงให้เปลี่ยนทิศทางที่พุ่งและเปลี่ยนขนาดกลับไปกลับมาด้วยความสนใจและเพลิดเพลิน คอยดูนะคุณทั้งหลายต่อไปนี้จะมีแสงอีกประเภทหนึ่งทันใดนั้นลำแสงสีน้าเงินก็หายไปและมีลำแสงสีแดงสุกสว่างพุ่งลงมาแทนที่ลำแสงชนิดนี้เป็นชนิดที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นให้เกิดพ ล, ลังกาลังช่วยซ่อมแซมส่วนที่เป็นโรคหลังจากที่ได้รับการรักษาทางยาแล้ว และยังสามารถส่งเสริมกำลังให้แก่ร่างกายทั่วๆไปได้อีกด้วยลาแสงชนิดนี้ชาวโลกมนุษย์จาเป็นต้องใช้มากทีเดียวและก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าจะหมดเพราะเรามีเรียกใช้ได้อย่างพอเพียงเสมอเรารู้สึกว่าแสงนี้ทำให้เกิดรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดโดยเฉพาะโรเยอร์ได้เผยความรู้สึกของเขาให้แก่ท่านเจ้าของบ้านทราบ จริงเช่นนั้นหลานชายโดยปกติการให้แสงสีแดงนี้มักจะกระทาในรายที่ต้องการให้ความอบอุ่นด้วยแต่อันที่จริงเราก็มีแสงอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการให้ความร้อนโดยเฉพาะซึ่งสามารถให้ความร้อนตามที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับสีแต่ประการใดเอาละเป็นอันว่าผมได้ให้คุณทั้งหลาย ได้เห็นวิธีการปฏิบัติงานของผมอย่างคร่าวๆแล้วเป็นแต่ว่าในขณะนี้ผมยังไม่สามารถแสดงการรักษาผู้ป่วยให้เห็นได้อย่างแท้จริงเท่านั้นซึ่งเรื่องเช่นนั้นผมคงทำให้ดูหน้าที่นี้และเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้อ้อแต่ผมคิดว่าอยากจะแนะนำให้คุณคุณได้รู้จักกับครอบครัวของผมซะหน่อยเราไปในสวนกันดีกว่าครับ ท่านเจ้าของบ้านเปิดประตูที่นําเราออกไปสู่สวนและเราก็ออกเดินตามท่านผ่านสวนทิ้งดงามที่มีกําแพงกั้นเป็นบริเวณไว้ทั้งสองด้านในเรื่องกําแพงนี้ท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงถึงสิทธิที่จะเป็นการห่วงห้ามไม่ให้ผู้อื่นลุกล้ําเข้ามาแต่อย่างใดแต่เป็นความประสงค์ของท่าน ที่จะให้เป็นเครื่องบางตัวบ้านไว้ทางด้านหนึ่งเท่านั้นนอกจากนั้นกำแพงดังกล่าวยังเป็นเหมือนฉากหลังทำให้ภาพไม้ดอกและไม้ยืนต้นอันสวยงามต่างๆแลดูเด่นขึ้นอีกด้วยไม้ยืนต้นต่างๆดังกล่าวนี้ก็สูงสงา่ามีใบสะพรั่งแลดูเขียวชวอุม่มตัดกับพันไม้ดอกหลากสีและยังมีซุ้มไม้ทาเป็นรูปโค้งอยู่เป็นแห่ง ถ้ำกลางอุทยานอันรื่นรมนี้ยังมีสะบัวซึ่งดูเหมือนว่าจะขุดไว้ในระดับต่ำกว่าพื้นดินลงไปโดยมีบันไดกว้างทอดลาดลงไปสู่พื้นน้ําอันใสสะอาดนั้นท่านเจ้าของบ้านได้ส่งเสียงร้องเรียกออกไปคำหนึ่งเราพากันคอยดูอยู่ครู่หนึ่งก็ยังไม่เห็นวี่แววของผู้ที่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านแต่อย่างใด แต่ต่อมาอีกขณะหนึ่งเราก็ต้องประหลาดใจไปตามๆกันเมื่อได้เห็นสิ่งที่มีชีวิตสองชีวิตกระโดดโลดด้านออกมาจากกอไม้ใกล้ๆและในที่สุดก็เป็นอันรู้กันว่าครอบครัวของท่านเจ้าของบ้านที่กำลังออกมาต้อนรับพวกเราในบัดนี้ก็คือสัตว์ที่น่ารักสองตัวอันได้แก่สุนัขตัวหนึ่งและเสือปูม่าอีกตัวหนึ่งนั่นเอง ข้าพเจ้าได้ลืมกล่าวให้ท่านผู้อ่านทราบไปหน่อยหนึ่งว่านกตัวที่โรเยอร์ได้นาติดตัวมาด้วยตอนที่ออกมาจากบ้านของข้าพเจ้านั้นเมื่อตอนขาออกมาเจ้าห้องปฏิบัติการของท่านชาวอินเดียมันได้บินไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆและบาดนี้มันได้บินกลับมาอีกพร้อมกับนำเอาเพื่อนมาอีกสองชีวิตด้วยคือเป็นนกเรเวนตัวหนึ่งและนกแก้วอีกตัวหนึ่ง Radiant w i ิ g ยื่นมือออกไปรับและนกตัวมาใหม่ทั้งสองก็โผลลงมาเกาะที่มือของท่านส่วนนกของโรเยอร์ก็บินกลับมาหาเจ้าของของมันตามเดิมเป็นไงครับครอบครัวของผมท่านเจ้าของบ้านเอ่ยขึ้นสุนักนกเรเวนและนกแก้วนี้เป็นของผมเองนกของโรเยอร์ตัวนั้นเป็นของเพื่อนของผมซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในโลกมนุษย์ ส่วนเสือปูม่าตัวนี้ก็เป็นของเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งเหมือนกันบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่ผมอาศัยเป็นเครื่องติดต่อกับชาวโลกมนุษย์โรเยอร์ในขณะนี้มีท่าทียังขยับขยาดเสือปูม่าอยู่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะไว้ใจนักเด็กหนุ่มยังคงนึกวาดภาพถึงนิสัยของเสือในโลกมนุษย์นั่นเอง ท่านเจ้าของบ้านจึงต้องรับหน้าที่อธิบายให้หายกลัวไม่ต้องเกรงกลัวอะไรดอกโรเยอร์รับรองว่าเสือตัวนี้จะไม่มีอันตรายแก่ผู้ใดเลยสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่กินเนื้อไม่มีอยู่ในตัวมันอีกแล้วขณะนี้รูทได้ก้มลงรูปขนและเล่นอยู่กับเสือปูม่าด้วยความเอ็นดูปรากฏว่า มันเชื่องและสุภาพเหมือนดังลูกแกะฉะนั้นรับรองว่าเสือตัวนี้ไม่มีจิตใจเสืออีกต่อไปแล้วพ่อหลานชายท่านจะขอบ้านอธิบายต่อไปและก็ไม่ได้หมายความว่าในโลกนี้จะมีแต่เสือตัวนี้ตัวเดียวแต่ถึงจะมีอีกกี่ตัวในที่อื่นๆจิตใจของมันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันคือสุภาพ และไม่ทำอันตรายใครเลยเป็นอันขาดสำหรับเหตุผลนั้นก็ง่ายนิดเดียวโรเยอร์เธอลองคิดดูก็ได้ในที่นี้ไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อไม่ให้อดตายไม่มีความหิวซึ่งทำให้ต้องกระวนกระวายจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารนอกจากนั้น ก็ไม่มีความหวาดระแวงว่าจะมีภัยมาจากมนุษย์หรือสัตว์อื่นใดอีกต่อไปเมื่อเหตุสองประการนี้ไม่มีเสียแล้วผลจะเป็นอย่างไรเธอลองคิดดูก็ได้ว่าชีวิตจะมีความสุขและสงบเพียงใดดังนั้นเราจึงเป็นเพื่อนกับมันและมันก็เป็นเพื่อนกับเราได้อย่างสนิทใจเธอลองเล่นกับมันดูก็ได้โรเยอร์โรเยอร์รอรก้มลงข้างๆรูธ และลูกขนอันดกดำและอ่อนนุ่มของมันด้วยความเอ็นดูมันขี้เล่นหน่อยนะท่านเจ้าของบ้านบอกมันชอบไปแย่ให้ใครๆเล่นกับมันเสมอลองให้เจ้านกน้อยของเธอเล่นกับมันดูก็ได้โรเยอร์โรเยอรยอ์ชูมือขึ้นและนกของเขาก็บินไปที่เจ้าเสือปูมา่าโดยวนเวียนล่ออยู่ที่ใกล้ๆจมูกของมันเพื่อล่อให้มันลุกขึ้นตบปให้ได้ ดูท่าทางมันบินเซธหลาไปมาคล้ายกับไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงท่านใดนั่นเองเจ้าเสือก็ลุกลุดขึ้นไล่คว้าด้วยความตั้งใจว่าจะตบบบให้อยู่มือแต่นกน้อยก็รู้เชิงมันบินวนเวียนไปมาทำให้เจ้าเสือหัวหมุนกระโดดตะครุบลมและหกขมียนหงายทองคลังแล้วคลังเล่าพวกเราที่เฝ้าดูต่างหัวรอกกันงอหายทุกคน ความจริงท่าทางของมันก็ว่องไวสมศักดิ์ศรีเสืออยู่แต่เจ้านกน้อยก็ไม่ใช่เล่นไม่ว่าเจ้าเสือจะกระโดดตะครุบอย่างรวดเร็วเพียงใดมันก็หลบฉากไปมาได้ทุกครั้งอย่างวุดวิบนี่ถ้าสมมติว่าเจ้าเสือมันจับนกได้อยู่มือจริงๆ จ, จ, จะเป็นอย่างไรครับโรเยอร์ถามด้วยความสงสัยอ๋อก็ไม่เป็นอะไรเลย เรเดียนชวกล่าวตอบอย่างร่าเริงทั้งสองตัวเป็นเพื่อนกันมันไม่ทำอะไรกันดอกโรเยอร์ er. แต่อันที่จริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็รับรองว่าจะไม่มีฝ่ายใดเป็นอะไรไปได้เลยที่นี่ไม่มีความเป็นศัตรูกันดอกโรเยอร์ er. แต่ในไม่ช้าเจ้าสัตว์ทั้งสองก็ยุติการเล่นสนุกของมัน โดยนกน้อยบินโผล่ลงเกาะที่ศีรษะของเจ้าเสือปูมา้าฝ่ายเจ้าเสือก็เดินทอดน่องกลับมาหาเราและล้มตัวลงกลิ้งเปลือกกับพื้นหญ้าด้วยความสบายใจเป็นไงเดี๋ยวนี้เธอก็ได้รู้จักกับครอบครัวของฉันแล้วเรเดียนวิงพูดต่อไปกับโรเยอร์คราวหน้าถ้าต้องการจะมาอีกก็เชิญได้เลยทีเดียวนะพรับรองว่าลูกศิษย์ของฉัน ครอบครัวของฉันตลอดจนถึงตัวฉันเองเต็มใจต้อนรับเธอทุกคนหรือถ้าเธออยากจะชมสวนก็ลองไปเที่ยวเล่นกับครอบครัวของฉันตามลำพังก็ได้แต่บางทีถ้าฉันไม่อยู่เจ้านกสองตัวกับสุนัขตัวนี้มักจะติดตามฉันไปทำธุระกับชาวโลกมนุษย์ด้วย บ, ยบย่อยแต่ไม่ต้องวิตกเพราะนกน้อยกับเจ้าเสือปูมา่าจะยังอยู่ที่นี่เสมอ รับรองว่าจะเล่นกับมันได้ย่างเต็มที่ทีเดียวโรเยอร์ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อเรเดียนทวิงเป็นอย่างมากที่ได้กรูนาอนุญาตให้ไปเที่ยวเล่นได้อีกในคราวหน้าจากนั้นเราก็ลาท่านเจ้าของบ้านพาโรเยอร์ออกเที่ยวชมภูมิประเทศต่อไป